พันในสภาพแบบนั้นเนี่ยทุกอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ครอบงำจิตของพระองค์ตั้งอยู่คือบุคคลที่ถูกทุกครอบงำตั้งอยู่เนี่ยนะทุกนิดๆหน่อยๆก็พูดถ้พูดถึงอยู่นั่นแหละโอ๊ยคิดถึงแต่ความทุกข์เล็กๆน้อยๆอันออนะั้นอะันะนะนะนะัแล้วก็พูดถึงบนถึงเหมือนกับว่าแหมชีวิตเนี่ยตัวไอความทุกข์อันนั้นเหมือนกับแผลเป็นติดตัวมาเนี่ยนะเหนะมือนกับคนแบบแหมแผลเป็นเต็มหน้าไปหมดไ ป, ไปที่ไหนก็เนี่ยแผลเป็นที่หน้าชั้นแผลเป็นที่หน้าชั้นก็คือ <S <S อะไรนะนะ เก็บมาพูดเก็บมาย้ำย้ำอยู่นั่นเนี่ยย้ำตอกย้ำถึงความทุกข์ของตัวที่เคยมีในอดีตก็กลายเป็นโรคจิตไปเลยถามว่ามีไหมคนที่นึกถึงแต่ความทุกข์ของตนที่ผ่านมาแล้วกลายเป็นโรคจิตวิปลาสไปบอกมีเยอะแยะไปเอย่างเด็กบางคนเนี่ยนะเด็กบางคนเนี่ยอให้โทษพ่ออย่างเดียวบอกว่าพ่อเนี่เยเลวมากพ่อใช้ไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นพ่อถามว่าทําไม เขาเดือดร้อนอยู่ปัจจุบันเนี่ยทุกวันเพราะพ่ อ, พอแต่เราดูก็ไม่เห็นว่ามันทุกข์ร้อนอะไรเนี่ยนะแต่มันทุกข์ทางความคิดมันคิดถึงภาวะที่พ่ออาจจะเกลี้ยนไม่กี่ทีเนี่ยนะซึ่งตามภาษาเด็กที่ที่มันเดือสมควรจะถูกเกลี้ยนถูกตีแต่มันก็ทรงจําแต่เหตุการณ์เหล่านั้นทรงจําแต่ความเลวร้ายของพ่อทรงจําแต่ความไม่ดีของพ่อแล้วก็ไปที่ไหนก็พูดถึงแต่ความเลวของพ่ออย่างเดียวเนี่ยนะ ก็กลายเป็นคนที่ผูกเวรกับพ่อก่อเวรกับพ่ออ่ะ น, นะโตมาเป็นหนุ่มอายุ30สิแล้วก็ยังก่อเวรอยู่กับพ่ออยู่เรื่องหละคิดถึงแต่ไอ้ซึ่งมันภาวะเลวร้ายมันนิดเดียวเนี่ยนะอาจจะที่จริงอาจจะอาจจะสมควรถูกตีเป็นต้นด้วยก็ได้นะแต่ก็ไม่เคยว่าคิดว่าตัวเองผิดตัวเองเลวร้ายตัวเองเนี่ยดีตลอดแต่เจอพ่อที่ไม่ดีขนาดพ่อมีพระคุณขนาดนั้นยังอาว่าท่านไม่ดีเนี่ยมันขนาดไหนใช่ แสดงว่าสุขภาพจิตมันเลวร้ายขนาดไหนพวกนี้แหละถูกความทุกข์บางอย่างครอบงำแล้วเสียใจหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะบางพวกเนี่ยนะก็ให้โทษว่าคนว่าคนนั้นทำให้มั่ง หาว่าคนโน้นทําให้บ้างคนนี yes. spirit, ้ทําให้บ้างเพราะคนนั้นแหละฉันจึงเป็นอย่างนี้เพราะคนโน้นแหละฉันจึงเป็นอย่างนี้แต่ฉันดีทุกอย่างฉันถ้าไม่มีคนนั้นฉันไม่เป็นอย่างนี้หรอกเน่นะเพราะฉันพวกนี้จะเป็นพวกโทษฟ้ามั่งโทษดินมั่งโทษน้ํามั่งโทษลมมั่งโทษไฟมั่งโทษพี่บ้างโทษน้องมั่งโทษคนใกล้มั่งโทษคนไกลมั่งโทษประเทศนี้ประเทศนั้นโทษโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเพ่งโทษประเภทนี้มันแพงด้วยโทสะ ทเรียกว่าพ้นไฟเนี่ยนะเที่ยวเผาผลาญบุคคลอื่นพวกนี้แหละถูกความทุกข์เล็กน้อยครอบงามก็เจ็บปวดเนี่ยนะเจ็บปวดเรียกว่าผูกพยาบาทพวกนี้ใจก็เป็นเวรใจก็ก่อเวรเนี่ยนะใจก็ก่อเวรคิดว่าคนอื่นทําให้เราคนอื่นทําให้เราคนอื่นทําให้เราพวกนี้แหละเรียกว่าถูกถูกความทุกข์ครอบงามแล้วเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อํานาจของความทุกข์อันนี้หนึ่ง อีกอันหนึ่งก็คือว่าพวกเนี่ยที่ตัวเองมองเห็นแต่ตัวเองเนี่ยเลวทำไมฉันจึงเลวขนาดนี้เนี่ยนะสรุปว่าเลววเลวอย่างหนึ่งเลวแบบสองเลวสามเลวสี่เลวห้าเก็บข้อมูลความชั่วร้ายเลวสามของตัวเองย้ำย้ำยย้จนเลวแบบนั้นจริงๆเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนเลวสำคัญหมายว่าตัวเองเป็นคนเลวเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็เป็นอาการของโรคที่ที่ถูกความ ทุกครอบงำเลยนะสรุปว่าจะโทษดินฟ้าอากาศจะด้วยยังไงก็ตามแต่โทสะมันกรุนมันเสียใจตลอดแต่พระโพธิสัตว์คิดไหมไอคนนั้นน่ะมันทําให้เรามาต้องทําทุ ก, กรากิริยาทําให้เราอดอยากหิวโหยคนนั้นสร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้เราคนนั้นคนโน้นคนโน้ค น, นคือสร้างความเสียหายให้แก่เราคนโน้นกําลังทําความเสียหายให้แก่เราต่อไปไอคนโน้นต้องสร้างความเสียหายให้แน่ อะนะคนหรือว่าไอ้คนโน้นทําไมไม่ช่วยเราบ้างเลยเนี่ยนะบางทีคนนี่มันโกรธว่าทำไมไม่ช่วยเราบ้างเลยเน่าจะช่วยกันบ้างสิคนโน้นก็ไม่เคยช่วยเราเลยอคนโน้นก็ไม่ไม่เห็นช่วยอะไรกันบ้างเลยไอ้คนต่อไปก็ไม่เห็นช่วยกันบ้างเลยเนี่ยนะบางทีเนี่ยความทุกข์ครอบงําเพราะคิดว่าคนโน้นก็ไม่ช่วยเราคนนี้ก็ไม่ช่วยเราเป็นต้นเนี่ยนะคือพวกนี้มันหาเหตุหาผลจนตัวเองต้อง เดือดร้อนเนี่ยนะจะต้องทุกอย่างนั้นเคยทุกอย่างไงก็ขอมีความทุกข์เช่นนั้นตลอดไปพวกนี้แหละเรียกว่าถูกความทุกข์ครอบงำอย่านีถูกความทุกข์ครอบงํางติดอยู่ในเรียกว่าสยบอยู่ภายใต้อํานาจของความทุกข์เอาแล้วพวกที่ติดในความสูงเป็นยังไง โอ้ยอาหารอร่อยนิดเดียวเนี่ยพูดถึง3วัน7วันพูด3ามปี5ปีก็ไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะอร่อยอยู่นิดเดียวปลายลิ้นเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนเคยอิ่มเนี่ยนะโอ้ยไปที่ไหนก็พูดถึงไอความเคยอิ่มเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้มันอิ่มอย่างงั้นอิ่มอย่างงี้เนี่ยนะก็พูดอยู่แค่นั้นอ่ะเคยกินอะไรมาหน่อยนยก็ แล้วพูดเล่าไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะซึ่งมันไม่ทุกวันมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็พูดว่าอย่างเช่นคนเคยสวยคนเคยรวยคนเคยเคยเค ย, เคยอะไรก็ช่างแถิดที่ตัวเองเคยว่าตัวเองมีปมเด่นปมเขืงตัวนั้นอะ่ะแล้วก็พูดถึงแต่ไอตรงนั้นซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วเคยมียศมีตําแหน่งมีเข้มขัดมั้งถ้าเป็นนักมวยเป็นเข้มขัดแต่เป็นข้าขราชการมีสายสะพายจะเป็นนักรบกล้าก็มีเหรียญก็พูดแต่อันนั้นแหละ กี่รอบแล้วกี่รอบเราเอาพูดมันหมายมันเป็นความภูมิอกภูมิใจมันก็อยู่แค่นั้นแหละแล้วลตอนนี้มันเหลือไหมล่ะมันก็ไม่เหลือแล้วคนเคยเป็นหนุ่มเคยเป็นสาวเคยเป็นโน่นเคยเป็น น, น, น, นี่เอาแล้วตอนนี้มันมีไหมล่ะมันก็ไม่มีแล้วพวกนี้ครัว่าถูกความสุขเนี่ยครอบงำเนี่ยนะซึ่งตอนนี้มันไม่มีแบบนั้นแล้วเมื่อมันไม่มีแบบนั้นแล้วตื่นซะบ้างสิคว่าอย่านั้นรู้จักตื่นซะบ้างสิเพราะเนื่องจากไม่เจริญวิปัสสนาก็เลยไม่ตื่น พวกนี้หลับตลอดเลยขี้ถึงเพอ้อฝันก็ได้ว่าพวกนี้ฝันในอะไรนะพวกฝันกลางวันบ้างฝันกลางคืนบ้างเหมือนอย่างว่าคนที่นอนหลับแล้วฝันว่าได้ไปเที่ยวสวนที่น่ารื่นรมตกใจตื่นมาอ้าวฝันนี่เนี่ยนะแล้วก็ไม่มีอะไรและมีไหมไม่มีแล้วเนี่ยนะคือบางอย่างก็เหมือนกันถ้าไม่เจริญวิปัสสนาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยถูกถูกสุขครอบงำถ้าไม่เจริญสมถะ ถ, ถ, ถูกทุกครอบงาเนี่ยนะ แต่พระเรียเจ้าทั้งหลายท่านรอบรู้ในสุขและรอบรู้ในทุกถ้าสุขเกิดขึ้นท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรถ้าทุกเกิดขึ้นท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านจึงมีข้อปฏิบัติแล้วพ้นจากทุกเนี่ยนะท่านจึงมีวิธีการปฏิบัติตนเพื่อพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยได้รับความทุกข์มาจากอะไรบ้างหนึ่ง ทุกที่มาจากการทรมานร่างกายโดยเฉพาะอปาทะกะักกาชานชานที่ไม่หายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าแปละว่ากลั้นลมหายใจกลั้นแบบไหนปิดปากปิดจมูกแล้วก็ปิดหูเนี่ยนะให้มันลมอื้ออยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นความทุกข์ทรมานแล้วก็อดอาหารเนี่ยนะแล้วถามว่าใช้ทําอยู่วันสองวันใช่ไหมเท่าไรห้าหกปีเนี่ยนะห้าหปีแล้วห้ า, าหา ป, นะ ป, ปีนี้อยู่แบบไม่คิดอะไรเลยใช่ไหม ไปอยู่แบบคนเข้าคุกคุกขี้ไก่เลยใช่ไหมเขามีคนที่พวกเรือประมงเนี่ยนะเรือประมงถูกจับไปไปต่างประเทศเช่นไปจับไปอยู่พม่ามาเลเซียหรือถูกจับไปโน่นอินโดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอินโดนีเซียเนี่ยพวกนี้ก็จะไปเข้าอยู่คุกขี้ไก่เนี่ยนะก็อยู่สภาพแล้วก็พร้อมกรองเขาให้อาหารมาถ้วยนิดเดียวเนี่ยนะแค่เขาไม่ให้ตายแค่นั้นนะหรือตายเขาก็ปล่อยไปตายแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยนะก็จนกวานุ่นแหละพวกทูตทั้งหลายไปเจรจาแล้วเอากลับมาบ้านมาคืนเนี่ยนะ สมัยก่อนมันแบบไปล่าคำ ว, ว่าเลยน้านน้ำของตัวเองไปเนี่ยพร้อมกระรองจนจะเดินไม่ไหวถามว่าเออแล้วมันถูกทุกข์อย่างนั้นเนี่ยครอบงำออไม่ใช่ว่าแม้ทุกข์แล้วไปทุกข์แบบคนที่ไปทุกข์บางที่บางหนบางแง่งแต่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ของพระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้รับความทุกข์เหล่านั้นอยู่ด้วยการวิจัยคำนะนะ ว, ว่าทุกข์ด้วยการวิจัยด้วยการ พิจารณาอยู่กับการเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาในระหว่างที่อดอาหารเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยนะคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช้ความคิดเลยใช้สติปัญญาแล้วก็หลับนิดเดียวเนี่ยนะอยู่ด้วยการเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเขาเลยยกยกอธิบายว่ามหาประทานความเพียรที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะมีพระเถระรูปหนึ่งนะว่าท่านจะเดินจงกรมสักหกปีเนี่ยนะ เพื่อบูชาความเพียรของพระพุทธเจ้ามันพระรูปนี้ท่านเดินจงกรมเป็นหลักเนี่ยนะเดินจริงๆเลยเดินอยู่เจดปีนะแต่ว่าสักไม่กี่ปีท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะคือท่านเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านะั้นเดินจงพระองค์ทําความเพียรทําไมแล้วนะท่านจะบูชาเนี่ยไม่ใช่บูชาแหมเดินแบบเดินมาราธอนวิ่งมาราธอนบูชาแบบแล้วอกุศลแลจิตเกิดตลอดนะบอกไม่แต่เดินด้วยสมถะเจริญ วิปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะระหว่างนั้นแหละท่านก็เลยเน้อมไปเพื่อการตรัสรู้หลังจากนั้นไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันเนี่ยนะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าก็เพราะว่าท่านเข้าใจรอบรู้ในข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีทีนี้ถามว่าแล้วพระองค์มีความสุขบ้างไหมชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะการ ม, มาสุขพระองค์เคยรับไหมได้รับแล้วพระองค์ติดข้องอยู่ในความสุขในการมมาสุขทั้งหลายไหม ไม่เลยตอนที่พระองค์อยู่ที่พระราชวังเนี่ยนะพระองค์ก็มีความสุขเยี่ยงสามัญชนหรือยิ่งกว่าสามัญชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะประดุษเทพบุตรเนี่ยนะมีความสุขเช่นเทพบุตรทุกอย่างเนี่ยนะแค่รำพึงนี่ก็สําเร็จสมความปรารถนาหมดแล้วเนี่ยนะมีคนเอื้ออํานวยเกื้อกูลให้ความสุขความสะดวกสบายทุกประการและพระองค์เนี่ยแทบจะมีเอมสมัยนั้นนะซึ่งมันไม่มีเนี่ย เขามีระบบเช่นหน้าร้อนเนี่ยเขาทำระบบแบบน้ําตกเนี่ยล้อมรอบแล้วก็มีระบบทิศทางลมระบบอะไรเนี่ยเรียกว่าสบายที่สุดเท่าที่คนเขาเขาจับสบายกันในยุคนั้นเนี่ยนะก็สบายที่สุดแล้วเนี่ยหน้าร้อนเป็นยังไงหน้าหนาวเป็นยังไงหน้าฝนเป็นยังไงเนี่ยนะคือท่านไม่แทบไม่รู้จักความทุกข์ความยากความลําบากเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ท่านติดในความสุขเหล่านั้นไหมบอกไม่ท่านพิจารณาเรื่องชาติชารามรณะ ทุกของคนที่เกิดมาแล้วจะต้องเกลือกกลัวอยู่กับความแก่คนที่แก่แล้วก็ต้องเจ็บป่วยเนี่ยนะทุกของคนตายทุกของเกิดคนที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจะมีความสุขแต่ท่านก็คิดถึงแต่เรื่องแต่ความเกิดแก่เจ็บตายวันก่อนไปโรงพยาบาลกับหมอคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยครับมันเจ็บมันทุกทั้งนั้นเลยครับแถวเนี้ยมีแต่ทุกทั้งนั้นเลยอนนะแล้ว ก, ก็เล่าอีกว่าเนี่ยมีพอครอบครัวหนึ่ง ก็พาลูกไปเที่ยวนะพาลูกไปเที่ยวแล้วไปประสบอุบัติเหตุแล้วลูกมาอยู่ห้องห้องอะไร ICU เนี่ยนะแล้วถามว่าห้องจะแอร์บริเวณห้องเยี่ยมนี่แอร์ทั้งนั้นเลยแล้วมีความสุขจริงไหมเอาลูกไม่สบายนอนสมเนี่ยรอดหรือเปล่าน้อรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดเนี่ยนะถามว่าจะมีความสุขไหมถึงอยู่ในห้องแอร์เนี่ยนะไม่ใช่ถามยังโตดูแล้วกันเนี่ยนะมีความสุขจริงไหมอ้าวก็ห้องเย็นสบายไม่ใช่เหรอเอาหน่าจะสบายไม่ใช่เหรอบอกไม่ ทุกแห่งมันก็อาเกียนเกลือกกลั้วไปด้วย น, นะชาติชาราและมรณะอันชาติชารามรณะนี่จึงเป็นเป็นยาบำบัดทุกขนานแทะบำบัดสุขขนานแท้ถ้าใครไม่อยากติดในความสุขมากๆคิดถึงความแก่ให้มากๆเดี๋ยวก็แก่แล้วเดี๋ยวก็แก่แล้วถ้าแก่อยู่แล้วแล้วสุขภาพเราจะดีอีกกี่วนันนะจะแข็งแรงอีกกี่วันเนี่ยนะ เมื่อวานลงเรือจามเชิดๆชด ช, ดชดเนี่ยนะโอยไม่พาไปไหว้พระด้วยหรอกนะจามขนาดนี้ติดหวัดติดวายอีกนะนะติดหวัดนะมันดีแต่ถ้า ต, ติดหวัดก็ ย, ยังชั่วนะติดหวัดนะดี่มันไม่เป็นบุญเป็นอะไรเลยเนี่ยนะบ่าพักผ่อนนอนหลับซะบ้างเนะี่ยนะอายุมากแล้วจะได้มีชีวิตยืนยาวนานศึกษาพระธรรมได้เยอะๆหน่อยเนะนี่ยนะ้นถ้าหากว่าสุขภาพอันนะ คือถ้าคนที่มีเห็นความสุขนะถ้าคิดถึงชาติชรา ม, มรณนะเอาไว้เยอะๆนะพวกนี้จะไม่ค่อยติดในความสุขเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเห็นว่าถึงความสุขเหล่านั้นจะยั่งยืนหรือนะแม้กระทั่งเห็นความสุขของเทวดาละถ้าคนที่เจริญคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมากๆเนี่ยนะเห็นคนอยู่ในคอนเสิร์ตก็ยังไม่ดีใจกับเขาเลยถามว่าทำไม อย่างสมมุติว่าเหมือนกับที่เกาะบาหลีใช่ไหมกำลังคอนเสิร์ตกาลังสนุกสนานเคลื่นเครงอยู่ดีๆแล้วเราเบิดตู้มขึ้นมาเนี่ยนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยแล้วถามว่าแล้วมันเป็นความสุขดีจริงหรือมันเป็นความสุขจริงๆหรือถ้าหากว่าคิดถึงว่าหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมาอ้าวสะดวกสบายยามเดินทางเงี้ยนะก็นึกถึงอะไรนะนึกถึงรถไฟที่เราเบิดอย่างเงี้ยนะ แล้วถามว่ามีความสุขจริงหรือทํางานอยู่ในตึกแม้เย็นสบายแล้วนึกถึงอ า, อาคารนั้นที่มันระเบิดละ่ะท่านึกถึงแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วจะติดในความสุขหรือแต่บางพวกมันก็เลยทงอีกเออไหนๆเราก็จะตายแล้วเราก็ควรใช้ชีวิตให้มันสบายให้เต็มที่เนี่ยนะหมกมุ่นในการมาคุณให้เต็มที่ ไอ้พวกนั้นก็เลยทงอีกเพราะไม่มีปัญญาเนี่ยนะคือแต่หมายคขาว่าถ้ามีปัญญามีกรรมมกตารู้บุญรู้บาปดีอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไม่ต้องการให้ตัวเองติดข้องในความสุขเกินไปคิดเรื่องแก่เกิดให้มากๆเดี๋ยวเราจะเกิดชาติหน้าแล้วนะแล้วมีสเสบียงอะไรบ้างนาเนี่ยนะเราต้องไปเกิดแล้วนะถ้าเราไปเกิดณตรงนั้นเรจะอยู่ทาไงอ่ะ ถ้าไปเกิดณนะตรงนี้แต่แล้วก็ไปดูสิไปเดินตามห้างเลยนะแล้วทุก เ, เห็นผู้หญิงทุกคนเนี่ยเป็นแม่เราได้หมดเลยนะเนี่ยเอะแล้วทุกถ้าเป็นแม่เราจะเป็นยังไงเนี่ยนะเอาไหมนะขอสมัครเป็นแม่เนี่ยกรอกแบบสมบัตมีใครมาเอาในงานคอนเสิร์ตมีคนสักแสนคนเนะ่ยเอามีหมาอยากอยากได้คนนะนะั้นอะเป็นแม่อย่างเงี้ยนะมีบ้างไหมอย่างเงี้ยนะถ้าเราต้องเกิดเอาใครเอาถ้าเกิดเป็นมนุษย์ยังไงก็ต้องมีแม่แล้วเอาใครเป็นแม่เราดี แล้วแม่จะสอนอะไรเราแล้วแม่จะพาเราไปไหนก็มาพามาคอนเสิร์ตอย่างนี้แหละจะได้ทําบุญหรือเปล่าเนี่ยเนะเพราะงั้นแม่ก็จะพาเรามาอย่างนี้เลยเอาเมื่อเกิดมาแล้วก็แล้วเราต้องไปเรียนอะไรแล้วแก่มาจะทํำยังไงนะแล้วป่วยขึ้นมาล่ะเอาคนน้นก็เป็นโรคคนนี้ก็เป็นโรคเนี่ยนะตั้งแต่หัวจดเท้ามันเป็นโรคได้ทุกทุกส่วนของร่างกายแล้วถ้ามันเป็นโรคก็ทําใจยังไงนะแล้วต้องตายเนี่ยนะเอาแล้วใน จะต้องสมมติว่าอุตส่าห์แสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการมากรงเต็มไปหมดในที่สุดของพวกนั้นมันจากเราไปก่อนบ้างหรือไม่เราจากมันไปบ้างทําใจยังไงดีคะเนี่ย อ, อันนี้แหละใครที่คิดลักษณะนี้บ่อยๆพวกนี้จะไม่เพลิดเพลินในความสุขเพราะเห็นความทุกข์เนี่ยตามเข้ามาเนี่ยนะเห็นความทุกข์ตามเข้ามาและไอ้พวกที่ทุกข์เลยละ่ะอ๋แม้ถึงจะ ทางข้างนอกก็ดูสุขแต่ใจจริงๆแล้วทุกข์ทุกข์ทําข์ทไงดีเอาให้ไม่ไม่ทุกข์อันนี้ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เนี่ยนะอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยมุทิตาหรืออยู่ด้วยอะไรอสุภะอยู่ด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหมายอยากเจริญพุทธานุสติเหมือนกันแต่ขี้เกียจสวดพุทธคุณอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ก็ยากเหมือนกันนะ บาทีก็ต้องเพื่อไม่ก่อเจริญพุทธานุสติบอกว่าสู้เจริญไม่เป็นก่ออิติปิโสไว้เยอะๆเนี่ยนะและ้วค่อยๆหาคําอธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็เจริญเป็นถ้าบอกว่าโอา้ขี้เกียจอย่างงี้ยแสดงว่าไม่มีศรัทธาเนี่ยนะไม่มีศรัทธามันก็ต้องพยายามจะเจริญพุทธานุสติเป็นเครื่องอยู่ธรรมานุสติเป็นเครื่องอยู่เนี่ยนะที่ทเมื่อกี้ที่เราสวดใ่ไหมเมื่อภัยคุกคามแล้วเนี่ย ทำไงเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณสิถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจะแนะนำสั่งสอนอให้คำชี้แนะอย่างไรบ้างนะใจก็จะมีทิศทางเป็นที่ไปคนท่าท้ากำลังมีความทุกข์อยู่นะแต่ถ้าเห็นว่าข้างหน้าเป็นความสุขเนี่ยทำใจได้ไหม สมมติอ่สภาพอย่างสมมติว่าเราเดินผ่านบางแห่งที่มันร้อนแต่ว่าหลังจากนั้นต่อไปมันจะเย็นเนี่ยเราจะทนได้ไหมความหิวที่กําลังมีอยู่แต่เห็นโต๊ะอาหารอยู่ข้างหน้าทนได้ไหมความหิวตอนนั้นทนได้เพราะเลยไปหาเลยเห็นไปหาอาหารข้างหน้าได้คนที่ได้รับความทุกข์ถ้าเห็นความสุขอยู่ข้างหน้าจะทนได้เพราะฉะนั้นคนที่กําลังได้รับความทุกข์อยู่เนี่ยนะถ้าคิดถึงความสุขที่ตัวเองจะได้รับต่อไปก็ ทนได้อย่างหลายคนเนี่ยนะพ่อแม่บางคนเนี่ยเขาเขาทํางานเหนื่อยมากเลยเนี่ยนะเขาพูดคาถาของเขามีอยู่บทเดียวถ้าลูกเรียนจบแล้วเขาสบายเนี่ยนะคาถาเขามีอยู่ท่องคําเนี้ยเดี๋ยวลูกจบแล้วเขาสบายเดี๋ยวลูกจบแล้วก็สบายมันก็เลยทํางานไปถึงวันนั้นอนะ่ะพอลูกจบจริงมันก็เดี๋ยวก็ ก, ก็ท่องคาถาอันให ม, ขม่ขึ้นมาสร้างคาถาขึ้นมาบริกรรมต่อไปใหม่เออเดี๋ยวถ้าหากว่าลูกมันมีงานมีการทําช่วยเหลือตัวเองได้เราก็สบาย เนี่ย น, นะนนะแล้วก็คิดต่อไปอีกนะกคิดเลยไปอีกเนี่ยนะมีบทใหม่ๆมาท่องไปเรื่อยๆนะก็มีคาถาปลอบใจตัวเองพวกนี้มันก็เลยทนอยู่กับทุกข์ผ่นไปได้ น, น, นะทนทุกทรมานอยู่ทุกวันได้ก็เพราะอะไรเพราะคิดว่าตัวเองจะสบายต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะมันก็เลยทนได้